น่ก็มีแต่อภิปรายการเมืองมีใครไม่เคยเจอหลวงพ่อไหมมีไหมโอ้เยอะอย่างนี้ใช่ได้เรียหลวงพ่อเบื่อเบื่อพวกหน้าซ้ําๆำ <c oughs> ไปไหนนะ้าเราไปเราก็ไม่รู้จะเทศอะไรแล้วนะเพราะพวกนี้รู้หมดเลยพอเราขึ้นกาะเอ้ยเกาไก่เขาตอกเขาไข่ยอยู่ในเล้าได้ละนะคนที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อใครเคยฟังซีดีไหม มีใครไม่ไม่ทั้งไม่เคยเจอไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสือมีไหมหายากนะจัดว่าเป็นระดับบุคคลที่หายากในประเทศไทยไม่เคยเจอไม่แปลกนะแต่ไม่เคยฟังไม่เคยอ่านนี่แปลกแล้วตอนนี้สิ่งที่หลวงพ่อเทศไวะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่ฟังแล้วก็รู้เรื่องนับจำนวนไม่ท้วนละพวกเราเริ่มจับหลัก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 คำว่าทุกข์ในศาสนาพุทธนะี่มันไม่ใช่แค่ว่าอกหักเป็นทุกข์ตกงานเป็นทุกข์นะเอ็นทานดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เอ็นทานด์ mit ่อะไรแอดมิดแอดมิดไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ใช่อนะไม่ตื้นขนาดนั้นศาสนาพุทธสอนลึกซึ้งลงไปนั้นว่าอะไรเป็นทุกข์นะท่านบอกโดยย่อขันทั้งห้าเป็นทุกข์ขันทั้งห้าพูดง่ายๆภาษาไทยก็คือกายนี้ใจนี้แหละคือตัวทุกข์กายนี้ใจนี้เราไปไหนเราก็เอาไปด้วย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 อยู่กับขันห้าอยู่กับกายอยู่กับใจนี่แหละแต่ไม่ทุกข์ทำยังไงเราจะอยู่กับกายกับใจได้โดยไม่ทุกขนะ์นี่คือรูปีธีการปฏิบัติธรรมพวอเราค่อยๆฟังนะไม่ยากเท่าที่คิดหรอกพ ร, พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าทุกข์ให้รู้ทุกขังอริยสัจจังปริญญาญังเนี่ยต้องมีภาษาบาลีหน่อยได้ดูเป็นพระนะ่อยทุกขังอริยสัจจังปริญญาญังทุกข์เป็นของที่ควรรู้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 เมื่อไรรู้ว่าจิตแอบิคิดเราจะตื่นในฉับพลันนั้นเลยเราจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาสามารถรู้กายรู้ใจได้โดยอัตโนมัติเลยงั้นขั้นแรกเลยนะพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆศัตรูของความรู้สึกตัวก็คือใจลอยใจลอยหรือเมาเมาไปใครไม่เคยเมอมีแมมในห้องนี้มีไหมพ่อขอดูโสมหน้ารู้จักเมาไหมรู้จักเมาไหมรู้จักใจลอยไหม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 ถ้าจากนั้นอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นจะกดลากถอนคนกิเลสเขาทําของเขาเองเวลาที่อริยมรรคเกิดนะเกิดเพียงหนึ่งขณนะเท่านั้นไม่เกิดสองขณนะเมื่อเกิดอริยมรรคแล้วเนี่ยจิตจะไปเห็นนิพพานนะแล้วถัดจากนั้นเนี่ยจิตก็ไม่มีงานทําล้จิตเจะเสวยความสุขอยู่สองสามขณนะเห็นนิพพานอยู่กับ น, นิพพานสองสามขณนะเสร็จแล้วจะถอยออกมากลับมาสู่โลกภายนอกเหมือนที่เราอยู่กันตอนเนี้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 อะไระไรเกิดขึ้นก็ไม่เดือดร้อนเราก็จะพ้นจากความเดือดร้อนเพราะความยึดถือกายยึดถือจิตใดถ้าไม่ยึดกายไม่ยึดถือใจนะเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้นั่นแหละคือตัวเราถ้าไม่ยึดถือในกายไม่ยึดถือในใจนะกายกับใจยังมีอยู่แต่ไม่ยึดมั น, นก็จะไม่ทุกข์เพราะมันอีกต่อไปแล้วนะพระพุทธเจ้าสอนศาสตร์อันน่าอัศจรรย์ที่สุดนะพวกเราเรามีสตินะ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 พอปล่อยวางแล้วมันจะพบสภาวะที่อัศจรรย์ที่สุดเลยว่าทำยังไงเป็นไปได้ยังไงความทุกข์ไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ที่กายนะความทุกข์อยู่ในร่างกายมีแต่ความทุกข์ที่ใจไม่มีอีกต่อไปลนะเป็นธรรมะที่อัศจรรย์ที่สุดนะไม่เคยนึกไม่เคยฝันเลยว่ามันจะเป็นไปได้นะเวลาไปรู้ไปเห็นนะไปค่อยๆฝึกไปวันหนึ่งเราจะได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลย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 มีทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานของเราเนี่ยสารพัดนะกระทั่งหมาของเราแมวของเราเราไม่ได้ทำให้มันเกิดซะหน่อยมันเกิดของมันเองเราก็บอกมันเป็นของเราตลกไหมแล้วก็คิดว่านนท์เป็นของเราอันนี้เป็นของเรามันเริ่มไปจากยึดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราก่อนนะพอมีการกระใจเป็นตัวเราแล้วสิ่งอื่นมันก็มาเป็นของเราค่อยๆฝึกนะพอไม่ยึดกายไม่ยึดถือใจแล้วก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีก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 เราฝึกแล้วเราไม่ต้องพึ่งพา ง, ง้องอนใข่ความสุขที่ต้องพึ่งพาคนอื่นที่ต้องพึ่งพาสิ่งอื่นนั้นมันทำให้เราตกเป็นทาสของคนอื่นและสิ่งอื่นชาวพุทธแล้วเราจะฝึกจะเราเป็นอิสระเมื่อไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจก็ไม่ต้องไปยึดถือคนอื่นสิ่งอื่นเราไม่ต้องงอไข้เลยความรู้สึกที่มีต่อผู้อื่นสิ่งอื่นนะเป็นความเมตตากรุณาล้ว น, วนๆเลานี แต่ไม่คิดจะมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนั้นคนในโลกนะไม่รู้จักเมตตารู้จักแต่ราคาอย่างลูกเนี้ยเราไม่ได้เมตตาลูกธรรมดาเรามักจะมีราคาคือเป็นของเราเข้ามาด้วยไแทรกเข้ามาถ้าเมื่อไรกายนี้ใจนี้เราก็ยังไม่ยึดนะก็ยังไม่ยึดอะไรในโลกแต่ว่าปฏิบัติหน้าที่ไปนะเพื่อกวนสมเคราะห์โลกไปอย่างมีหน้าที่เลี้ยงลูกก็เลี้ยงไปมีหน้าที่เลี้ยงสามีก็เลี้ยงไป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 มีแต่ความสุขล้วนๆเลยไม่ใช่ความว่างแบบแห้งแรงนะบานควรคิดว่านิพพานเป็นความว่างน้อมใจให้ว่างซึมกระถือว่างๆอยู่นั้นนั่นไม่ใช่นิพพานนะนั่นเป็นความว่างเป็นช่องว่างช่องว่างไม่ใช่นิพพานเป็นองค์ธรรมกึงตัวกันเรียกว่าอากาสานัญจายตนะช่องว่างนั้นไม่ได้น้อมใจให้ไปอยู่ในว่างๆนะให้คอยรู้กายคอยรู้ใจไปจนวันหนึ่งปล่อยวางกายปล่อยวางใจเราสัมผัสนิพพานมีความสุขทั้งวันมีความสุขทั้งคืน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 ไม่อะไล่ไม่อะไรเอาบอนนี่เป็นชื่อของนิพพานทั้งสิ้นเลยะชีวิตที่เหลืออยู่จะเป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์อยู่ในตัวเองอักเทศพอสมควรเทศมากนะก็ไม่เหมาะได้ข่าวว่ามีเตรียมถามสิบแปดคนขอเชิญสิบแปดโมกุฎ <laughs> เขาจะเล่นโขอนอ่นะเก็จะเล่นโขนต้องมีสิบแปดโมกุฎเหมือนกันหลวงพ่อก็มีนาฬิกามันกันก็ เ, เพิ่งให้มา อาเ<น>ฉิญรู้สึกไหมจิตฟูซ่านค่ะ<า>รู้สึกไหมใจหนีปุ๊บปุ๊บหลงไปนะพอหลวงพ่อหยุดพูดใจของเขาเราก็ตะเวดเปิดเปิงหันไปหันมาเราลืมตัวเราเองเลยเห็นไหมรู้สึกไหมใจตอนนี้เริ่มนิ่งรู้สึกไหมใจนิ่งกว่าเมื่อกี้นี้นะรู้สึกไหยใจแอบไปคิดนะค่อยๆสังเกตนะค่อยๆดูการทํางานของเขาไป เดี๋ยวนี้พาดูทีละคนไม่ได้แล้วต้องพาดูทีละทั้งชั้นเลยเชิญ อ, อ่ไหนสกการหลวงพ่อค่ะหนูก็ตามตามดูมาสัก น, นึ่นะะปีสองปีนะคะรู้สึกว่าก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าความรู้สึกตัวมันที่แท้จริงมันยังไม่ไ ม, ไม่เกิดส ะ, ะทีอะค่ะทีนี้ไม่ไม่ทราบว่า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 โมหะเนี่ยเป็นองค์ธรรมเป็นสภาวะธรรมที่ปิดบังไม่ให้เรารู้สภาวะตามความเป็นจริงได้เนีย่ยตอนนี้ยจิตไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมและจิตที่ไปคิดก็เป็นโมหะพวกหนึ่งจิตมันฟุ้งซ่านไปนะเนี่ยมันไปอีกแล้วรู้สึกไหมค่ะไม่หัดรู้อย่างนี้นะรู้ลงปัจจุบันไปอเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูต้องไปทาต่อก็คือพยายามดูเล่นเลนดูให้มันเล่นเล่นขึ้น อ, อ, อดูเล่นเ น, นะ<ต>อย่าดูจริงจังแล้วเราไม่ทราบว่าเ อ, อ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 อาเชิญครับนวมัส ก, การครับพระอาจารย์จะรบกวนเรียนถาวสักครู่ว่าที่ท่านอาจารย์บอกว่าการประคองไว้กับการเพ่งไว้เนี่ยกับการมีสัม บ, บัญญัติอย่างต่อเนื่องเนี่ยต่างกันอย่างไรครับสัม บ, บัญญัเป็นตัวปัญญานะไม่ต้องมีต่อเนื่องหรอกมีเป็นขณะขณะก็พอแล้วความรู้สึกตัวเนี่ยมันประกอบด้วยธรรมะหลายตัวมีสติและมีปัญญามีความตั้งมั่นคือสัมมาสมาธิมีองค์ธรรมจํานวนมากเกิดร่วมกัน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 นั้หน้าที่ก็คือคอยรู้มันต่อไป ร, รู้ได้ใจที่เป็นกลางนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วครับกลับน้ันตะกันครับเบอร์สี่เนี่ยเบอะไรเบอร์ห้าอ่ากลับนมันตะกานหลวงพ่อค่ะก็หลังจากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นให้รู้ว่าตื่นเต้นรู้รู้ทันแจขงเราว่ามันตื่นเต้นคะนะเอาว่าไปก็ปฏิบัติได้สักระยะก็ยังเพ่งอยู่ค่ะอะไรนะยังเพ่งแล้ว่ากดมันยังบัวเยอะเออรู้ว่าเพ่งอยู่ก็ใช้ได้แล้ว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 เนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วรู้สึกไห ม, อมเออยังไม่เริ่มตื่นแล้วรู้สึกไหมค่ะขอให้หลวงพ่อชี้หน้ให้หนูด้โอชี้ต้องยาวแล้ว <laughs> ยังมาขอให้ชี้ <laughs> นี่แหละใจที่ตื่นขึ้นมามันเป็นอย่างเนี้ยรู้สึกไหมรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นจริงๆไม่งั้นมันเหมือนเราฝันทั้งๆ ท, ท, ที่ลืมตาฝันทั้งๆ ท, ที่เดินอยู่เนี่ยฝันอีกแล้วรู้สึกไหมมาอื้อเลยยังคิดไม่เลิก ใจก็ยังไม่ตื่นกลับเออค่อยๆรู้สึกไปนะเวลาใจหนีไปคิดก็รู้ใจหนีไปคิดเรารู้ตอนนี้ใจหนีไปคิดแล้วเห็นไหมหค่อยๆรู้อย่างนี้นะค่ะรพ่อครับอ้าวเบอร์เจ็ดตื่นเต้นโอ้คนทุกคนร้อนกราบนำพระสการหลวงพ่อครับ เ, เคยได้ไปส่งกันบ้านที่ ส, นสุนตติธรรมครับแล้วหลวงพ่อบอกว่ายังเพ่งอยู่แล้วให้ไปดูกายผมก็ไปดู ก็คลายไปลงบ้างครับอืมแต่ว่าช่วงนี้ก็จะช่วงตื่นเนี่ยจะเป็นสักชั่วโมงแรกเนี่ยจะชอบไปเพ่งลมหายใจแล้วก็ยังเป็นอยู่อืแต่มันก็จะคลายลงในเมื่อเมื่อมันเถลอไปหรือมันอะไรก<ช>ั <ไป S 1> นครับนะงั้นคนที่ติดเพ่งนะ ห, หัดเผลอซะบ้างอ้าพูดจริงๆนะไม่ได้ทําให้หัวดร้อเล่นหรอกเวลาพูดธรรมะนะธรรมะของจริงบาทีฟังแล้วตลกเคยมีนักพระองค์หนึ่งท่านเพ่งมากเลยเพ่งจนเครียดเส้นเลือดสมองจะแตกแล้ว หลวงพ่อก็ชวนท่านคุยให้ท่านเผลอๆไปขนาดใดเผลอแล้วขณะนั้นจะเลิกเพ่ง <c oughs> นั้นหัดเผลอซะบ้างนะเผลอแล้ว ร, รู้สึกเผลอแล้ว ร, รู้สึกได้คะแนนไปเรื่อยๆถ้าเพ่งไปตลอดเวลาไม่ได้คะแนนเน <c oughs> ี่ยตอนนี้หลงไปแล้วรู้สึกไหม <c oughs> รู้สึกไหมไปกดจิตให้นิ่งรู้สึกไหมนี่ไปกดมัน <c oughs> ปล่อยไปปล่อยมันเอาเลยกดใหญ่คือเหมือนกับจะแพร่ให้มันสบายครับแต่กว่า อ, <c oughs> อย่าไปจงใจทํา ให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องจงใจนะให้รู้อย่างที่เขาเป็นอักไปเบอร์แปขอบคุณครับการนัดสการหลวงพ่อค่ะเออก็ตื่นเต้นเห็นไหมความคิดเราหายไปค่ะเห็นไหมมันหายไปได้เองอเห็นไหมเห็นไหมความคิดมันผุดขึ้นมาแล้วเนี่ยคอยรู้ทันมันอย่างเนี้ยนะเอาว่าไป คือพอสภาวะมันเกิดขึ้นอยู่ อ, อันนึงที่มันทําแล้ว ย, ยังยังติดอยู่ก็คือเวลาไม่พอใจและเขื่อนใช่ไหมคะมันก็ยังอยู่ยาวนานแล้วก็พยายามจะไปกดนั่นแหละไม่เป็นกลางที่เรางพบอกว่ามันมีสองสเต็ปนะสะเต็ปที่หนึ่งรู้เช่นรู้ว่าโกรธรู้ว่าเคร่อนสเต็ปที่สองจิตเราไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลาง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 ทางใจเนี่ยไม่มีใครเข้ามารู้ของเราหรอกใจมันโกรธเราก็รู้ว่ามันโกรธไปสีหน้ามันก็จะออกอะค่ะออกล้วก็ต้องรับกรรมไปเราผิด น, นะเรามันออกทางกายทางวาจาแล้วนะคุกคามเขาแล้วคือหมอยายถึงว่าไม่พูดแต่ว่าสีหน้ามันออกนั่นแหละสีหน้ามันออกเข้าใจเราโกรธเราค่อยๆฝึกที่ใจเราเนี้ยค่อยรู้ทันความโกรธในใจนะกลไปความโกรธในใจจะค่อยๆหายไป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 นะรู้โลกปัจจุบันอย่างนี้ไม่ต้องไปค้นคว้าอาดีตละรู้โลกปัจจุบันไปเลย อ, เอ้างเบอร์เก้าเบอร์เก้าคุณค่ะกระดานมาสการ์ได้มีโอกาสได้สงการบ้านกับหลวงพ่อเมื่อเร็วๆนี้เองที่ศาลาลงชินนะคะก็ะนี่ก็ดออกวูว่าจิตเราไม่เหมือนเดิมค่ะดีขึ้น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 แต่ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นิดนึงว่าพอเพลินว่าตัวเองก็หนึ่งสอนอตาตาหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหะก็ต้องเตรียมการสอนหืออะไรนะคะก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะทำให้ถูกใจหรือว่าพยายามจะพิเศ์ออกมาให้กับคนอื่นรอบข้างรู้เนี่ยแต่บางครั้งก็คือแปลเจตนาผิดซึ่งทำให้เราซ่องหมอกจริ ง, รงๆก็เลยคิดว่า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 ดีขอบคุณมากา้าวเอาให้เบอร์สิดก่อนโลกนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้แหละงานสักการหลวงพ่อค่ะรู้สึกตกใจหลวงพ่ออยากสงสาร <c oughs> เดนียวหัวใจจะวายซะก่อนเอาว่าไปค่ะก็มีโอกาสได้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 ค่ะ อ, อยากจะถามว่าหลวงพ่อเขาอย่างจริตหนุ่มนี้ดูจิตหรือดูกายเป็นหลักหอะไรก็ได้เห็นอะไรดอวนนั้นแหละนะมันไม่ใช่จริตที่แบบชัดเจนแต่ละคนส่วนใหญ่นะจริตมันผสมผสานเพราะงั้นกายชัดก็รู้กายไปจิตชัดก็รู้จิตไปนะของคุณมันมันดูได้ทั้งคู่แหละ แล้วบางครู้งเริ่มรู้สึกไหมนะใจลอยรู้สึกว่าใจลอยค่ะแล้วค่ะนึกนึกไม่ออกแล้วจะทำอไรนึกไม่ออกก็ช่างมันนึกไม่ออกก็รู้ว่านึกไม่ออกค่ะหลวงพ่อคะตอนนี้จิตเริ่มจะตั้งมั่นได้บ้างหรือยังคะก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะแล้วพอจะรู้ต่อย่าไปกดตัวเองไว้รู้ตื่นบ้างไหมค่ะ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 แต่ถ้าร่างกายเราไปอยู่ที่ผาซ่อนแก้วเห็นมันสวยรู้ว่าสวยนี่นะถูกมแมลงมากัดตัวผู้พองขึ้นมาใจกังวลรู้ว่ากังวล<ะ>นี่คอยดูใจของเราไปเรื่อยค่ะเบอร์สิบเจ็ดดีใจเบอร์สิบเจ็ ด, ด, จ ด, จดกับนามัสการครับคือผมอยากถามจริตของผมนะครับในการทำสมถะ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 เรียกว่าคณิกะสมาธิตั้งชั่วขณะเท่านั้นไม่ตั้งนานเนี่ยจิตไหลไปคิดแล้วรู้สึกไหมถ้าเรารู้ว่าจิตไหลไปคิดจิตเ้าจะตั้งขึ้นมาแบ๊บหนึ่งอ่ะ<อ>ไปคนต่อไปก<อ>านน้ำมันสกัรพระคุณเจ้าใช่ปะโอเรียกเพราะฝ <c oughs> ั่งลาวเทคือยมตามดูอยู่ก็ไม่มีข้อสงสัยอยากให้พวกคุณเจ้าวิจารณ์ได้จ่ะอย่าไปกดมันไว้นะ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 ทีแรกนานๆจะรู้ทีหนึ่งค่อยฝึกไปต่อไปจะรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่างนี้จิตนี้ไปคิดอีกแล้วทราบไหมจ้าเค่ะนี่จิตนี้ไปคิดแล้วก็ค่อยรู้หนี่ไปคิดแล้วก็รู้ฝึก อ, อย่างนี้นะต่อไปสติจะเร็วมากเลยเจค่ะเอไปเบอร์สิบปดนรัสกาคุปจรนี่เบอร์อะไร่ะเอาเบอร์ิบเบอร์สิเบอร์สิบเขากลุ้มใจอย่แย่แล้วแทบจะลุกขึ้นปะทวงแล้วกล่าวนรัสการหลวงพ่อค่ะ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 ถ้าเราเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางเนี่ยได้เรียกว่ารู้ได้ตรงความจริงแล้วแต่ว่าก็ยังเหมือนจะติดสุขอะค่ะคืกเราชอบในสิ่งที่ติดมีความสุขไม่เป็นไรความสุขไม่ใช่กิเลสแต่ถ้าเราชอบในความสุขนะเป็นโลภะให้เรารู้ว่าใจมันชอบแล้วก็ยังไม่เคยเปฏิบัติในรูปแบบอะค่ะต้องปฏิบัติในรูปแบบไหมคะเพราะรู้สึกว่าจิตใ จ, จบางันง่ายๆ น, ายนะนะไปหัดไหว้พระสวดมนต์ะ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 รู้เท่าที่มันมีไม่ต้องไปรู้อย่างนี้ที่มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้ารู้อันนั้นไปนะเอาเบอร์สิบสองการมรสการหลวงพ่อครับอตอนนี้แต่และ ว, วันนี่จะรู้สึกว่ามีสติรู้ตัวได้บ่อยครั้งขึ้น น, นะครับแล้วก็ จะเห็นกิเลสได้บ่อยขึ้นแต่ละครั้งที่เห็นเนี่ยจะเห็นเป็นสองตัวเสมอคือกิเลสแล้วก็ความมีดีกินร้ายต่อเนื่องเกิดดับกันเหมือนนาอิอกขึ้นนะครับสมควรเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติตอนนี้เนี่ยถูกต้องแล้วหรือไม่อย่างไรครับปฏิบัติแล้วถูกแล้วนะแต่บอกหลวงพ่อสิจิตขณะนี้เป็นยังไงตื่นเต้นครับกดเอาไว้ดูออกไหมใช่ครับใช้ได้แล้วสับผ่านขอบขอบพระคุณครับดูเป็นแล้วนี่ดูเป็นแล้วไปดูเรื่อยๆ เห็นไหมมันเป็นสองสเต็ปที่หลวงพ่อบอกอ่ะทีแรกเห็นสภาวะนะแล้วมันก็ยินดียินร้ายขึ้นมาแล้วก็รู้ทันมันพระมศการหลวงพ่อคะ่ะเมื่อสามเดือนที่ผ่านมาเพิ่งไปฝึกดูพองยุบไปนะคะแล้วก็เดือนนี้เพิ่งฝึกดูจิตอยากให้หลวงพ่อจะให้คาแนะนําค่ะแล้วเดือนต่อไปจะดูอะไรคื อ, อ, ก, าอการ<ด>ปฏิบัติเนี่ยนะอย่าไปติดที่รูปแบบ จะดูฟองยุบจะพุทโธจะรู้ลมหายใจจะรู้อิิยาบทสีจะขยับมือทําจังหวะอะไรนี้ก็เหมือนกันหมดเลยความต่างของรูปแบบไม่สําคัญเท่าไหร่หรอกใครถนัดรูปแบบอะไรก็ใช้รูปแบบอ น, นั้นเพียงแต่ต้องมีสติที่แท้จริงต้องมีสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตอย่างแท้จริงเนื้อหาสาระของการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่เปลือกหรือรูปแบบนะแต่อยู่ที่คุณภาพที่จิตไปรู้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 ไปดูเอานะค่อยๆดูเอาเวลาที่เราปฏิบัติส่วนใหญ่ไปเพ่งถ้าไม่เผลอพวกเพ่งมีอยู่เท่านั้นเองไม่ค่อยยอมรู้หรอกไปฝึกเอาอ่าต่อไปกับมนมาส ก, การพระอาจารย์ค่ะคือปกติแล้วจะเผลอล้วก็บางทีไม่ค่อยรู้ตัวค่ะอืถ้าเผลอก็ไม่รู้ตัวถูกละวจะเผลอนานแล้วก็บางทีเผลอล้วก็คิดไปแบบเรื่องที่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 รู้อย่างหนึ่งว่าได้ทําบ้างแต่ว่าไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ไม่ไม่ไม่ค่อยจะเห็นไม่ค่อยจะเห็นอะไรชัดเจนของโยมนะรู้<ม>ร่างกายไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะใจเราเป็นคนดูไปเรื่อยๆเหมือนเราเห็นคนอื่นกําลังเดินคือคนอื่นกําลังนั่งดูกายบ่อ ย, อยๆเดี๋ยวจะเห็นจิตชัดขึ้นทีหลังแล้วตอนตอนที่นั่งสมาธิเนี่ยอ<ม>รู้สึกว่าจะเป็นแบบแบบที่สองที่ท่านอาจารย์พูดใช่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 ทางน้อยก็ยกเร็วกว่ามีสองคนกลับรู้จากหลวงพอ่อกันหนึ่งนะโยมซีนี้รู้สึกไหมใจเราลอยมาฟากนี้รู้สึกไหมส่วนใหญ่นะใจะให้มันอยู่ตรงนี้ให้เรารู้ทันนะแต่บางคนหนีออกนอกธรรมศาสตร์ไปแล้ว <c oughs> ว่าไปค่ะมีคำถามจะถามหลวงพ่อค่ะว่าการภาวนาก็คือการตามรู้ตามตามรู้กายและก็ใจในปัจจุบันใช่ไหมคะใช่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 ตื่นเต้นด้วยค่ะตื่นเต้นแล้วไปกดไว้นะครัอไปข้างหลังขอบคุณค่ะหลวพ่อคนข้างหลังได้ใช้ได้แล้วไม่ต้องถามแร้วที่ภาวนาอยู่แล้วดีแล้วล่ะท<ถ>าให้ถา ม, ถามก็ได้<า>นิดนึงค่ะคือจะสังเกตได้ยังไงคะว่าที่ตอนเนี้ยมันเป็นปัญหาหรือมันเป็นฉันทะสงสัยรู้ว่าสงสัยไม่มีปัญหาเลยรู้รองปัจจุบันไปเลยต่างกันแค่ชื่อจะเป็นกุศลหรือกรอกุศลเกิดแล้วก็ดับเท่ากันไม่ใช่ตัวเราเท่าๆกัน แล้วเราไม่ได้ฝึกเอาอะไรหรอกฝึกให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับทั้งสิ้นฝึกแค่นั้นเองแล้ไม่ต้องไปวิเคราะห์หรอกนะว่าตอนนี้เป็นตันหาหรือชันทะแค่เห็นสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเห็นเท่านี้พอแล้ว <Sergey> <affected> มันเป็นความเท่าเทียมกันอยู่แล้วมันเท่าเทียมกันอยู่แล้วเราต่างหากไปให้ค่ามันที่ไม่เท่ากัน <moistur> <ger> ว่าทุกสิ่งนะจะเป็นกุศลหรือ อ, อกลลุศลจะเกิดแล้วก็ดับสอนไตร ล, ลักษณ์เท่าเทกันแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้ยุให้ทําอกุศลนะถ้าเราามมีสติออยู่่ทกํกุศลไได้นะ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 เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาและนานเทินยถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวาอิโตดินงังเปตานังอุ ป, ปกระติอิชิตังปิตังตุมหังขิ ป, ปเมวาสมิชตุสัพเพภปุเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยถ า, ามณีโชติรโาโสยถาสพีติโวิวัชันตูสภาโรคโควินาสตู มาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภวะอาภิวาธนาสีริสนิจังุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวันตีอายุวันโนสุขขังพระลังหัดนาะภาวนาไปฟังซีดีหลวงพ่อเพิ่มนะค่อยๆฟังไปพอเข้าใจเนี่ยจิตจะตื่นอย่างรวดเร็วเลยคนไหนที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยการภาวนาที่เหลือจะง่ายแนละ้ว